ท่านหนงมาเยี่ยมเป็นนักบวชหรือกว่าบาดหลวงในาศาสนาคริสต์ตาแหน่งท่านเป็นมุขนายกชาสมัยก่อนรัฐบาลสังคราชแต่ว่าสังคราชในาศาสนาคริสต์ก็มีมีหลายท่านในเมืองไทยก็มีสิบบวชนาคเรียกอักคราสังคราชอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าตัวท่านเองนี้เป็นมุขนายกเรียสังฆมณฑลนครราชสีมา ดูแลชาวคริสต์สามจังหวัดของรัศิีมาแล้วก็ชัยพวงบุรีลำท่านก็กสาขับรถมาไม่เคยมาก่อนก็นาถามทางคนจากที่กรุงเทพแล้วก็มาตาเหตุก็เพราะว่าท่านอยากจะมาชวนไปช่วยงานหรือร่วมงานเกี่ยวเรื่องาศาสนาสัมพันธ์ตัวท่าน ดูแลและพิดชอบเรื่องนี้ของศาสน จ, จักรก็อยากจะมาร่วมมือกับชาวพุทธกับชาวมุสลิมมาทำงานด้านนี้ที่จริงด้านศาสนาสัมพันธ์นี้ก็มีการทามานานแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่แต่ก็เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าศาสนาในปัจจุบันมีทั้ง ในส่วนที่สร้างสรร์แล้วก็ในส่วนที่บันทอนมีอิทธิพลทั้งในแง่บวกแล้วก็ในแง่ลบถ้าว่ า, าศาสนาร่วมมือกันชนิดที่เรียกว่าจับหลักของาศาสนาตัวเองได้มันก็ก่อให้เกิดผลที่สร้างสรร์ชักชวนให้คนนี้เข้าสู่สันติสุขสันติภาพได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจกันเป็นปฏิปัติต่อกัน ก็สร้างปัญหาได้มากท่านอาจารย์เบื้อท่านก็มีปณิธานอยู่3ประการไม่มากมีแค่3อย่างแรกก็คือว่าท่านอยากจะให้ชาวพุทธนี่เข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาอันที่สองนั่นก็อยากจะให้เกิดความร่วมมือเกิดความเข้าใจกันระหว่างศาสนาอัานที่สมก็อยากจะพาคนให้พ้นจากอำนาจของวัตถุนิยมอันสามอย่างนี้มก็เป็นเรื่องเดียวกัน คนเราถ้าเข้าถึงหัวใจของศาสนาแล้วเนี่ยนะมันก็มีสารที่สุภภายในแล้วก็มีเมตตากรุณายิ่งยึด ต, ติดในตัวตนน้อยลงเท่าไหร่นะ<ม>ก็จะมีเมตตากรุณากับสรรพสัตว์สรรพชีวิตมากขึ้นเส้นแบ่งระหว่างเรากับเขามันก็จะน้อยลงจนไม่เหลือเลยโลกก็คือเราเราก็คือโลกแล้วก็ ตรงนี้แหละที่จะทําให้มนุษย์เราเนี่ยหลุดพ้นจากอํานาจของวัตถุนิยมได้เพราะว่าสามารถค้นพบความสุขความสงบเย็นภายในแล้วก็สามารถที่จะร่วมมือกันเพื่อทําให้ความเห็นแก่ตัวในโลกมันลดลงอาจารย์พุทธทาสในเวลามีฝรั่งมาหาท่านบางคนก็อยากจะบวชกับท่านท่านก็บอกว่าไม่ต้องมาบวชก็ได้กลับไปศึกษา ทำความเข้าใจาศาสนาของตัวให้ดีก็อาจจะค้นพบคำตอบจากาศาสนาของตัวก็ได้นะไม่ต้องเปลี่ยนาศาสนาเพราะว่าตะศาสนาหลักๆนี้เขาก็มีแก่นสารมีสาระที่มุ่งลดความมนแก่ตัวแต่ว่าจะลดแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับการก็ถึงหลักธรรมหรือว่าการจำแนกแจกแจงวิธีการอย่างพาศาสนานี้ก็เน้นเรื่องการหลุดหรือปล่อยวาง จากความยึดติถือมา่ในตัวตนาศาสนาอื่นก็ยังมีความคิดเรื่องตัวตนอยู่แต่เป็นตัวตนที่ประณีตเป็นตัวตนที่ไม่ได้แยกจากสิ่งอื่นเป็นตัวตนที่คนเรามีกันนี่มันยังเป็นตัวตนที่แยกอยู่มันยังมีแบ่งเราแบ่งเขาอยู่แล้วมันก็นําไปสู่กามเบียดเบียนอันนี้ก็เป็นด้านบวของาศาสนาตัอย่างที่เรา ทราบกันว่าตอนนี้ศาสนาก็มีอิทธิพลในทางลบมากตอนนี้ความรุรแรงในหลายประเทศไม่ว่าที่บ้านเราไม่ว่าที่ปากีสถานอินเดียสีลังกาอัฟกานิสถานไปจนถึงถวยูโกสลาเวียอดีตประเทศยูโกสลาเวียในแอฟริกาทั้วีปเลยแล้วก็ในไอแลนด์ไอแลนด์เหนือเรืองไปจนถึงในประเทศอเมริกาเอง มันก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นถึงขั้นเป็นสงครามกลางเมืองก็มีอาชีวะตึงเครียดกันเกิดการฆ่าผู้ทำลายคนด้วยการกอร่อการร้ายก็มีเยอะยะหลายส่วนก็เกิดจากอิทธิพลของศาสนาเช่นเกิดการประทะกันระหว่างผู้ที่นิยมศาสนาอย่างเข้มข้นอย่างเช่นในอินเดียก็มีพวกฮินดูปะทะกับทาง มุสลิมในปากีสถานมุสลิมคลนิกายก็สู้กันทำลายกันยิ่งในอิรักนี่ก็ชัดเจนถึงขั้นวางระเบิดทำลายมัสยิดของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยศาสนาตอนนี้เนี่ย เ, เรียกว่าเป็นแรงกระตุ้นให้คนทำลายซึ่งกันและกันเพียงเพราะว่าเขานักถือต่างศาสนากับตัวมันเป็นผลจากความยึดติดถือมั่นในศาสนาของตัว อาจจะเคร่งในแง่ของการปฏิบัติตามหลักคำสอนโดวยเฉพาะในเรื่องพิธีกรรมอาจจะเข้าวัดอาจจะมีการสวดมนต์ภาวนาแต่ว่าทําไปทาไปมันมีความยึดติดถือมั่นว่าศาสนาของตัวนี้ดีศาสนาของตัวนี้ประเสริฐแล้วก็ไปมองเห็นศาสนาอื่นว่าเป็นตัวทาลาย เป็นศัตรูของศาสนาของตัวเช่นฮินดูนี่ก็มองว่าศาสนาอิสลามนี้มาลุกรานศาสนาฮินดูตั้งแต่ 3-400 ปีที่แล้วหรือว่าถ้าเป็นศาสนายู่กับอิสลามในตะวันออกกลาง น, นี่ก็ถึงขั้นว่ามันเป็นปฏิปักษ์กันมาเกือบ2000ปีแล้วเรียว่าตั้งแต่เกิดมีศาสนาอิสลามขึ้นมาก็ปะทะ ก, กันมีความเชื่ออย่างนั้นมีความเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างนั้น การยึดติดถือมันในาศาสนาเนี่ยมันเป็นอันตรายเพราะว่าจะทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันได้ง่ายแล้วก็มักจะเกิดความรู้สึกว่าฉันดีแก่เลวฉันถูกแกผิดไอ้ความยึดติดเนี่ยในทางลัทธิหรือว่าที่ถูกปาทานทางวิษาสนาวรที่ถูปาทานเนี่ยมันจะไม่เกิดมานาขึ้นมามานาคือว่า เกิดความถือตัวว่าฉันถูกแกผิดฉันดีแกเลวเป็นลูกของพระเจ้าแกมันเป็นพวกซาตานคิดแบบนี้เข้าก็เติดลอยขึ้นมันก็สะดวกใจที่จะฆ่าที่จะทำลายเขาได้เพราะมันเลวเพราะมันเป็นพวกซาตานเนื่องการนับถือศาสนาี่บางทีมันกลายเป็นเหมือนกับใบสั่งใบอนุญาตให้ฆ่าคนอื่นได้ ถ้ายึดติดตัวมั่นหรือว่าครั่งศาสนาพวกนี้จะว่าเขาไม่เคร่งก็ไม่ใช่นะเขาเคร่งอยอุสมาบิลาเดนนี่ก็เป็นคนที่เคร่งมากอยู่กบบับง่ายๆตามหลักศาสนาละหมาดเวะลาห้าเวลาเพียงปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาจนแม้กระทั่งไหวคราก็ถือว่าเป็นแบบอย่างตามแบบอย่างของศาสดามุฮัมมัดแต่พวกนี้เนี่ย พอเคร่งแล้วเนี่ยมื่เกิดความถือตัวว่าฉันฉันประเสริฐฉันถูกฉันเคร่งกว่านิกายของฉันเคร่งกว่าถูกต้องกว่านิกายอื่นเพราะนั้นแม้แต่อิสลามเองคนนิกายก็ฆ่ากันอย่างน่ากลัวมากนิกายชีอา ก, กับซุนนีตนนี้ก็ฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวันในอิรักแล้วก็ในปากีาสถานศาสนาคริสต์ก็เหมือนกันนะต่างนิกายก็ฆ่ากันได้อย่างเช่นในไอแลนด์เหนือ บางทีในสมัยก่อนนี่ถึงทัน่นว่าถ้าใครนับถือศาสนาไม่ตรงกับฉันก็เอามาเผาทั้งเป็นได้อย่างในยุโรป 3-400 ปีก่อนนี้ก็มีการตั้งศาลศาสนาไต่สวนใครที่คิดไม่เหมือนทางการก็จับมาเผาถือว่าพวกนอกกรีดบางทีก็มีการทำสงครามไปทำลายกลุ่มชน ในเมืองหนึ่งที่นับถือศาสนาต่างกันบางทีก็แยกแยะไม่ออกนะว่าใครนับถือศาสนาที่ถูกต้องตามมาตรฐานแล้วใครที่นับถือศาสนาที่โดนนอกรีดแต่ว่าเขาก็บอกว่าฆ่าได้เลยฆ่าได้เลยไม่ต้องจําแนกแยกแยะเพราะว่าพระเจ้าจะรู้เองว่าใครเป็นคนของพระเจ้าใครเป็ น, นของพระเจ้าตายก็ได้ขึ้นสวรรค์แต่ไม่ใช่ของพระเจ้าก็ลงนรก พระเจ้าตัดสินเองพระเจ้ารู้เองเราไม่ต้องสนใจเราฆ่าไปได้เลยไม่ต้องแยกแยะไม่ต้องกลัวว่าคนที่เราฆ่านี่จะเป็นพวกคริสต์นับถือศาสนาเดียวกับเราฆ่ามานเลยก่อนแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะตัดสินเองนี่ขนาดนี้ก็มีนะการอ้างเหตุผลแบบนี้มันทําให้คนนับถือศาสนากลายเป็นคนโหดเยี่ยมได้ศาสนา พ, พุทธนี่ก็ไม่ใช่ย่อยพอไปยึดติดถือมั่นเขาแล้วนี่มันก็ทําให้เกิด ความรู้สึกชอบทำที่จะไปลุกหลานคนอื่นได้ถ้าเกิดไปคิดว่าเขานับถือาศาสนาพุทธที่ต่ํากว่าเราอย่างเช่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหรือว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนี่ชาวพุทธในญี่ปุ่นนี่ก็มีความเชื่อว่ า, าศาสนาพุทธที่แท้นี้มีอยู่แต่เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นพุทธศาสนาญี่ปุ่นนี่ประเสริฐกว่ากว่าพุทธศาสนาในจีนแล้วก็เกาหลีอันนั้นมันเป็นาศาสนาของคนที่ต่ํากว่า ทำยังไงเอเขาก็เลยสาบสู์การบุกลุกกลุกรานจีนเกาหลีเพื่อที่เอาศาสนาพุทธของญี่ปุ่นนี่ไปสถาปนาในจีนและเกาหลีก็มีการฆ่ากันมากมายชาวคุณในญี่ปุ่นก็มีการอุทิศสละเงินทองไปซื้อเครื่องบินอาวุธลบไปลุกรานจีนและเกาหลีมีการเขียนประไตรปิฎกมีการคันลอกพระสูตรเพราะก็ถือเป็นการทําบุญ ทำบุญเพื่ออะไรทำบุญเพื่อจะให้ให้ประเทศของตัวชนะสงครามบางทีถึงกับประกาศว่าการฆ่าด้วยกรุณานี้ทําได้แล้วก็เป็นสิ่งที่คนทําด้วยเพราะมันเป็นจริยาของโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์วัตรจริยาฆ่าด้วยกรุณาได้ฆ่าเพื่อให้พวกนี้จะได้ไปพบพุทธศาสนาที่แท้แล้ น, นี้ก็ทําึงขนาดนี้เพราะมีอุปัทามีความยึดติดถือมันว่า ศสาสนาของฉันนี่เลิกศ า, าสนาขอฉันประเสริฐ ต, ตอนนี้แม้กระทั่งในลังกาตอนนี้ก็เป็นแบบนี้พระพุทธในลังกาโดยพระพระสงฆ์นี่ก็พยายามที่จะสสบบนให้รัฐาลปราบปรามพวกกัมมินที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนเพราะก็เห็นว่าลังกาที่มันเป็นธรรมทวีปเป็นธรรมทวีปก็คือว่าเป็นทวีปแห่งพุทธศาสนาเป็นเสาหลักของเทรวาท ถ้าเกิดมีการแบ่งแยกดินแดงก็ทำให้พุทธศาสนาเสื่อมถอยลงและพวกนี้ก็สาบสุนให้มีการทำสงครามกับพวกธรรมินซึ่งเป็นฮินดูเวลารัฐบาลบางทุกต้องการจะทำสัญญาสันติภาพกับพวกธรรมินทนระพระสงฆ์ในลังกาก็ประท้วงคัดค้านบางกลุ่มก็ไปจับอาวุธขึ้นต่อสู้กับรัฐบาล มีนปะระสงค์นี้จับอาวุธหรือว่าไปสับสนกลุ่มกลุ่มขวาจัดจัดตั้งเป็นกองกำลังใต้ดินคอยสังหารจันที่รัฐบาลที่ละคนที่ละคนที่ต้องการสันติภาพกับพวกธรรมินหรือพวกที่อ่อนคอยพวกธรรมินก็น เ, เก็บอันนี้ก็อ้างว่าทาเพื่อพุทธศาสนาแต่ว่าสิ่งที่ทำนะั้นมันกลายเป็นสวนทางกับพุทธศาสนาให้ความยึดติดถือมัน่นนี่มันเป็นลักษณะแบบนี้นะคือว่าถายึดติดมากๆเนี่ย มันกลับทำให้เราเนี่ยทำตัวสวนทางกับสิ่งที่เราเชื่อศาสนาพุทธหรือศาสนาใดตามก็สับสนเรื่องสันติภาพเรื่องของความเมตตากรุณาแต่พอยึดติดถือมัน่นแงแรงๆเขานี่มันกลายเป็นคนใจคอโหดเที่ยมสามารถที่จะจัดการใช้ความรุนแรงกับคนที่ซื้อศาสนาอีกศาสนาหนึ่งได้โดยเพราะถ้าคิดว่าเขาเป็นผู้ที่จะมาลุกลานคุกคามศาสนาของตัว พระสงฆ์ไทยก็เหมือนกันตอนเกิดเหตุก่อความไม่สงบนในภาคใต้นะก็หลายท่านต้องเป็นจำนวนมากเลยต้องการให้รัฐบาลนี้บดขีนะ้พวกอิสลามพวกมุสลิมไม่ต้องเจรจากันแล้วเขามีกรรมการสมานฉันเพื่อต้องการให้เกิดสันติภาพสันติวิธีในภาคใต้เขาบอกยุบยยซะกรรมการสมานฉันมันต้องใช้ความรุนแรงซึ่งมันก็ สวนทางกับหลักการของพุทธศาสนาแต่พอความยึดติดถือมั่นแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อคนที่ยึดติดในเรื่องประชาธิปไตยยึดติดมากๆถ้าประเทศไหนมีประชาธิปไตยก็มีเหตุผลที่จะต้องลุกรานเพื่อเอาประชาธิปไตยไปสถาปนาในประเทศนั้นเช่นอเมริกาบุกอิรักนะก็อ้างเหตุผลนก็คือว่าต้องการเอาประชาธิปไตยไปให้กับอิรักแต่มัน ลัฐบอมปฏิการมากหรือเกินเจรจาแล้ไม่ได้ผลก็ลุกลามมาซะเลยต้องการประชาธิปไตยแต่ใช้วิธีการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยคือไปยัดเยียดให้เขาโดยที่ไม่ได้ถามความเห็นประชาชนแลตอนนี้ก็เลยบุ่นวายอยู่ทุกวันนี้แล้ที่คอมมิวนิสต์นี่มันก็เป็นลัทธที่ที่ต้องการให้คนมีความยุติธรรมมีสันติสุขนะแต่พอไปยึดติดถือมากกับลัทธนี้มากเนี่ยมันก็กลายเป็น ผู้ที่เฮี้มโหดได้อย่างอย่างในจีนในระัเสเซียนี่ก็ฆ่ากันไปเยอะเพียงเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อในลัทธิคอมมิวนิสต์ตายกันเป็นล้านอย่างในคอมร น, นี่ก็ตายกันไปสองล้านคนได้หนึ่งในสีของประเทศพลพฤษนี่ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์คอมร น, นี่ก็เป็นคนที่เรียบร้อยมากดูภายนอก น, นี่รัสเซียเขาเป็นคนโหดเฮี้มแต่ใครทรี่รู้จักเขาตั้งแต่หนุ่มจนกระทั่ง เขาครองอำนาจเนี่ยเขาประทับใจว่าเขาเป็นคนที่มีส ง, ง่ามากเป็นคนที่เหมือนกับพระเลยพูดเบาๆเรียบง่ายแม้แต่คนที่เป็นศัตรูอย่างสเุเชนูนี่ก็ยอมรับเลยเขามีส ง, งา่าเหมือนพระนะแต่ว่าพอประยุติกับอุดมการณ์แบบนี้แล้วนี่มันมันกลายเป็นคนเที่ยมได้พอคิดว่าตัวเองถูกเมื่อถูกแล้วทําอะไรก็ไม่ผิดกิดเลส ม, มันก็หลอกนะอัตามก็หลอกนะ มันก็พยายามหลอกว่าฉันเป็นฝ่ายถูกแกเป็นฝ่ายผิดและเมื่อผิดแล้วนี่แกก็ต้องยอมฉันถ้าแกไม่ยอมฉันฉันก็จาเป็นต้องกำจัดแกเพื่อความถูกต้องการยึดติดในความถูกต้องนี่อานเป็นตัวตอันตรายพอยึดติดเข้าแล้วนี่มันอาจจะทำให้เราทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ยึดติดอะไรก็ตามเชื่ออะไรก็ตามก็อันตรายถ้าเป็นความยึดติดถือมั่น อย่างที่ได้บอกไว้แล้วว่าชื่ออะไรไม่สําคัญต้่งการเชื่ออย่างไรเชื่อพุทธศาสนาแต่เชื่อแบบยึดติดถือมั่นหัวปักหัวปัม๊มมันก็กลายเป็นการเบียดเบียนได้ยึดติดศาสนาไหนก็ตามอย่างนี้อเมริกากับบิลเดนก็ต่างคนต่างก็อ้างศาสนาอ้างพระเจ้าต้องคู่บิลเดนก็อ้างพระเจ้าบุชก็อ้างพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสั่งให้บุก กับการนิสถานพระเจ้าสั่งให้บุอีลักษ์พูดอย่างนี้เลยบิลเด้งก็บอกเหมือนกันพระเจ้า อ, อนุ ญ, ญาตให้ถล่มอเมริกาได้มิพอยึดติดถือมรราบรรยากาศเป็นเอาพระเจ้ามาเข้าข้างตัวแล้วก็ทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้สอนพระเจ้าบอกว่าอยากฆ่าเป็นบัญญัติศิลปการข้อแรกเลยเจ้าต้องไม่ฆ่ายีง่งนกฆ่ากันใหญ่เลยอันนี้ก็เพระอิทธิพลของาศาสนา แต่ที่จริงมันไม่ใช่เป็นอิทธิพลของศาสนาทีเดียวมันเป็นอิทธิพลจากการยึดติดถือมั่นในศาสนาเชื่ออะไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าสิ่งที่เชื่อจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไปยึดติดถือมันเข้ามันก็กลายเป็นสิ่งที่เลวได้หมายความว่ามันก็นําไปสู่การกระทําที่เลวได้อลองพิจารณาดูความยึดติดถือมั่นนี่มันทําให้เราหรือมันทํนทใาทให้เกิดผลที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราเชื่อเวลาขับรถนะเวลาขับรถแล้วก็ กำลังเร่งรีบนะอยากจะไปให้ถึงเร็วๆใจนี่จดจอนะักว่าจะให้ถึงเร็วๆแต่ปรากฏว่ามันมีรถปาดหน้าหรือว่ามันมีรถเลี้ยวไม่ถูกนะทาให้เสียจังหวะนักโกรธเลยนะโกรธนะที่ทําให้เสียเวลาแล้วทํำยังไงพอโกรธเขามันก็ลืมตัวเลมันก็คิดจะไปไล่ล่าแก้แค้นให้คนที่ปาดหน้าก็กลายเป็นว่าถึงที่หมายชาลง เพราะความโกรธที่มันมาทำให้เราเสียเวลา้คนที่มันยิ่งอยากจะให้ถึงเร็วๆนี้ก็กลับถึงช้านะ mm hmm. เพราะว่าปวดแค้นคนที่มาขัดขวางให้การเดินทางมาสะดุดลงสมัยก่อนที่สุกโตเนี่ยเมื่อ20ปีก่อนเวลาฉันเนี่ยเราฉันเป็นพาชนะฉันเป็นวงก็จะมีมีถาดนะแล้วก็มีฉันนั่งฉันประมาณ3หรือ4ลูก ส่วนใหญ่ก็เป็นข้าวเหนียวก็เลยนั่งฉันแบบนั้นได้สะดวกก็มีพาพรูปนึงก็ฉันก็เสียงดังนะภายรูปหนึ่งก็หุดหงิดกับการที่ท่านรูปนั้นฉันเสียงเจ็งดังวางช้อนก็ดังเคี่ยวก็ดังท่านก็ก็พูดว่าให้เบาหน่อยแต่ว่าพระรูปนั้นก็พอเบาสักพักเดี๋ยวก็เลื่มตัวเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันยิ่งอยากจะให้ท่านเคี่ยวเบาๆ แต่พอท่านเคียวดังใจมันก็ยิ่งไปจดจ้องอยู่ตรงนั้นพอไปจดจ้องอยู่ตรงนั้นไปยึดติดอยู่ตรงนั้นมันก็ก็รู้สึกว่าเสียงดังมากขึ้นเรื่อยๆวางช้อนคอดังเคี้ยวคอดังยิ่งดังก็ยิ่งหงุดหงิดยิ่งหงุดหงิดใจก็ไปจดจ้องกับตรงนั้นมากขึ้นท้าทีงลืมตัวอารวาสตะโกนมาเสียงดังๆเลยฉันเสียงดังจังไม่เกลี่ยใจคนอื่นเขาบ้างนี่กลายเป็นว่าตัวเองหนักกว่าเขายิ่ เขาฉันเสียงดังแต่ว่ามันไม่เป็นรบกวนใครแต่พอตัวเองไปยึดติดถือมากกับการฉันเสียงดังแล้วมันไม่เป็นไปตามที่หวังก็โกรธโมโหสิ่งที่ตัวเองทำพฤติกรรมที่องตัองทามันกลายเป็นว่าสวนทางกับสิ่งที่ตัวเองต้องการตัวเองอยากจะให้เขาฉันเสียงเบาแต่ตัวเองกลับโวยวายรบกวนก็ถือมากกว่าใครสิพอเราไปยึดติดถือมาแล้วเนี่ยมันก็ลืมตัวมันก็ลืมตัว แล้วก็เลยทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ตัวเองต้องการที่อเมริกาไม่มีคนที่เรียกว่าชอบแต่งสวนแต่งสนามหน้าบ้านสนามหน้าบ้านนี่ก็จะมีสนามหญ้าก็ดูแลอย่างดีเอาปุ๋ยมาลงเอาอยาฆ่ า, า, มมาแมลงยา ก, ากําจัดวัชพืชมาลงให้เพื่อสนามหญ้านี่สวยลงทุนลงแรงกับเรื่องนี้มากเวลาตัดหญ้าก็ตัวเองก็ตัดเองถ้าไม่วางก็ไปจ้างคนมาตัดลงทุลงแรง แต่ว่าตอนหลังมันมีปัญหามันมีตัวตุนตัวตุนมาสายอยู่ข้างล่างใต้พื้นแล้วตุนนี่เวลามันทำรังเนี่ยมันก็จะเป็นรอยนูนขึ้นมาจากดินสนามหญ้า ก, ก็เลยไม่สวยเป็นรอยที่ในสายตาก็รู้สึกน่าเกลียดมากเขาพยายามกำจัดตัวตุนนี้ทำหลายอย่างเอากับดักมาวางเอายาไปฉีดมันก็ไม่ได้ผล แล้วก็เห็นสนามหญ้าที่ไหลมันก็ทุกมากใจก็คิดว่าทํางไง จ, จัดการกับตุนให้ได้รู้สึกแพ้มาตลอดรู้สึกเสียหน้าโมโหสุดท้ายทําไงก็ใช้วิธีฉีดฉีดน้ามันฉีดน้ามันลงไปในรูแล้วก็จุดไฟเพื่อครอกตุนให้ตายไปเลยได้ผลนะว่าตุนตายแต่ว่าสนามหญ้าตัวเองก็แย่ไปด้วยเสียหายมากเลยเพราะว่าไฟมันลุกท่วม รูจนกรทั่งมันพุพองมาออกมาตรงสนามหญ้าก็กลายเป็นว่าการที่จะรักษาสนามหญ้าไว้ก็กลายเป็นทําลายสนามหญ้าดืมือของตัวเองนี่เพราะว่าความยึดติดถือมันว่าสนามหญ้าของฉันต้องสวยต้องงามต้องไม่มีตําหนิแต่ว่าทําอย่างนี้มันก็เลยแย่เข้าไปใหญ่ดังนั้นเรื่องการยึดติดถือมั่นนี่ต้องระวังเวลาเราปฏิบัติก็เหมือนกันนะอย่างเช่นเรา ปฏิบัติเอาหายได้ความสงบเนี่ยยิ่งอยากได้ความสงบเท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่ได้ยิ่งอยากได้ความสงบกับยิ่งได้ความฟุ้งซา่านพอใจที่มันอยากใจที่มันยึดติดมันก็จะหงุดหงิดได้ง่ายมันมีความฟุ้งซ่านก็ไม่พอใจอยากจะพยาเข้าไปกําจัดอยากจะเข้าไปกดยิ่งกดจิตมันก็ยิ่งรวนมันก็ยิงย่งผยศมันก็ยิ่งไม่สงบยิ่งอยากได้ความสงบยิ่งไม่ได้ยิ่งจะให้หายฟุ้งซา่านมันก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากเข้าไปใหญ่ จนลืมตัวที่เขาเอาทองทักแต่ฟาดตัวตัวเองอย่างที่เคยเล่าให้ฟังคนที่เขาไม่ยึดติดถือมันเขาก็สบายๆคนธรรมดาที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็สบายๆเพราะเขาไม่ได้ยึดติด ก, กับเรื่องสงบไม่สงบแต่นักปฏิบัตินี่พอไปยุดติดคราวเวลานี้มันจิตมันก็ไม่สงบง่ายเพราะว่าอะไรที่ไม่ตรงความคาดหวังจิตมันก็ดิ้นจิตมันก็ปฏิเสธจิตมันก็ผักสใสต่อต้าน ให้เราก็ต้องดูนะดูใจของเราเวลามันยึดติดถือมั่นเมื่อไหร่ต้องระวังเพราะว่านะสิ่งที่ยึดติดมันจะดีมันจะเป็นสิ่งที่ดีงามเช่นการนับถือศาสนาการปฏิบัติธรรมแต่พอไปยึดติดเข้าไปแล้วนี่มันจะมีความรู้สึกอยากจะเอาชนะอยากจะเอาให้ได้มันจะมีกิเลสเจือปนจะมีตัณหาเจือปนบางทีมันก็ไปปรุงมา่นนาให้เกิดความรู้สึกว่าฉันดีฉันแน่ฉันประเสริฐฉันถูกแก้ผิด มันทาให้จิตนี่เสียสมดุลด้วยเพราะมันมีความอยากเข้าไปก็ทําให้เกิดความไม่สงบในจิตใจอยากได้ความสงบก็กลับยิ่งห่างจากความสงบอุปทานก็เลยเป็นสิ่งที่ทงางพุทธศาสนาถือว่าไม่ดีทั้งนั้นแม้แต่ความยึดติดในธรรมะหลวงเคยตรัสว่าธรรมะนี่มันเหมือนแพรถ้าข้ามฝั่งไปได้แล้วนี่ก็ต้องวางแพรซะไม่ใช่แบกแพรไปด้วยที่จริงแม้จะยังไม่ถึงฝั่ง การยึดติดกับธรรมมาก็อันตรายมันไม่ตายการยึดติดในกามก็อันตรายได้ทั้งนั้นธรรมานี่ถ้าไปยึดติดมันที่ทั้งเปลี่ยนมันก็ว่าเหมือนกับจับหาง ง, งูมันก็แว้งกลับมาได้อุปทานนี่ก็เลยเป็นตัวการเป็นที่มาของความทุกข์ทั้งปวงว่าโดยย่ออุปาทานขาดทั้งหาเป็นตัวทุกข์อันนี้คือร่างเงาที่มาของความทุกข์ทั้งปวง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปภูมิใจว่าสิ่งที่ฉันคิดมันดีสิ่งที่ฉันเชื่อมันดีสำนักนี้ถูกแล้วสำนักฉันนี่ประเสริฐที่สุดแล้วสำนักอื่นนี่สู้สำนักฉันไม่ได้แนวปฏิบัติของฉันนี่ดีแล้วคิดแบบนี้มันกําลังเข้าไปสู่การไปยึดติดถือมั่นเป็นอุปัตฐานมันจะมีตัวกูของกูว่าสำนักของกูสำนักของฉันแล้วก็จะมีการแบ่งแยกว่าสำนักของแกสำนักของมึงก็เกิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กัน ยี่ไหนหลายสำนักก็ไม่ถูกกันนะก็พอไปยึดติดถือมั่นบางสำนักก็พยายามคิดว่าของฉันเนี่ยถูกที่สุดบริสุทธิ์สำนักของหลวงพ่อเทียนก็อาจจะมีการแบ่งว่าสำนักนี้บริสุทธิ์ที่สุดอีกสำนักอื่นนั้นมันเจือปนมันไม่ใช่ของหลวงพ่อเทียนแท้มาคิดแบบนี้นก็เกิดความรู้สึกที่แย่แต่มันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์ที่พอไปยึดติดถือมั่นก็จะเป็นแบบนั้นคือคิดว่าฉันแท้ของฉันแทะของฉันบริสุทธิ มันจอลืมไปว่าอันนี้มันเป็นความหลงแบบอีกแบบหนึ่งมันก็ไม่เกิดสัปพชัญญะขึ้นมาสัปพพัญญะไม่ใช่ความรู้ตัวตัวพร้อมอย่างเดียวแต่มันหมายถึงความรู้แจ่มชัดในสิ่งที่ทําว่าทําไปเพื่ออะไรแต่พอมันยึดติดถือมันเข้ามันก็ลืมตัวไอ้สิ่งที่ทําก็เลยกลายเป็นการตรงข้ามแบบจุดมุ่งหมายเดิมอันนี้เราต้องระวังเนี่ต้องอาศัยสติมาก